ข้อความในพุทธวงศพัน น, นารัตนะจังกรระกันก็แปลว่าการว่าด้วยการจงกรมนั่นเองนะพูดถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจงกรมนะนะเรียกว่ารัตนะจังกรระกันก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนรมิตขึ้นแล้วก็เดินกลับไปกลับมาในอพันธะนิทานเนี่ยนะ คือตอนต้นของคัมภีร์พุทธวงศ์นั้นมีคำเริ่มต้นว่าเท้าสามบดีพรมผู้เป็นเจ้าโลกเจ้าโลกก็คืออธิบดีของโลกผู้เป็นใหญ่ในโลกนั่นนะประคองอัญชลีทูลขอพรอันยอดเยี่ยมว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสดุดธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้คือในบรรดามวลสัตว์โลกทั้งหลายคนที่มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญานี่มีอยู่ คนที่เขาอบรมเจริญอินทรีห้ามาเนี่ยมีอยู่ขอพระองค์ทรงเอ็นดูคือทรงมีพระมหากรุณาในหมู่สัตว์เหล่านี้คือสัตว์ผู้มีอินทรีแก่กล้าผู้มีศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาขอพระองค์โปรดแสดงอริยสัจธรรมสงเคราะห์หรือโปรดเขาเถ อ, อนะอันนี้เป็นข้อความเริ่มต้นของคำพีผู้ทว ง, งนะเริ่มต้น ทีนี้ก็ตั้งเป็นคำถามทักท้วงขึ้นมาว่าการแสดงแบบนี้มันไม่เหมือนการแสดงคำพีอื่นๆไม่เหมือนแสดงพระสูตรอื่นๆเพราะเหตุไรท่านไม่กล่าวนิทานโดยในเป็นต้นว่าทำไมไม่ไม่พูดเจาะจงสถานที่ไปเลยเหมือนในพระสูตรทั้งหลายนะเอวามีสุตังเอกังสมยงังภะกวาสาวัตถียังอยู่สาวัตถีเมืองที่ไหนก็ได้อย่างเช่นในพุทธวงศ ทำไมไม่ขึ้นบอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธ า, ารามกรุงกบิลพัทแควนสักกะทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนี้คือทําไมข้อความในพุทธวงศ์ตอนต้นอ่ะไม่แสดงแบบนี้เลยว่าครั้งนั้นอ่ะท่านภาษาริบุตรเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงพุทธวงศ์ดังนี้น่าจะขึ้นต้นแบบนี้สิเออมันก็จะเข้ากันหลักมันก็จะได้เหมือนกับคัมภีร์อื่นๆใช่ไหมมันจะได้เหมือน อะไรเหมือนพรมชาลสูตรเหมือนสามัญญผลสูตรเหมือนมูลปริยญสูตรเป็นต้นก็แสดงไว้เลยพระพุทองค์อยู่ที่ไหนแล้วใครเข้าไปทำอย่างไรแต่กลับกล่าวนิทานเรื่องราเป็นต้นว่าท้าสามบดีพรมผู้เป็นเจ้าโลกประคองอัญเชลีทูลขอพรอนันยอดเยี่ยมว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกขอพระองค์ทรงเอ็นดูหมู่สัตว์นี้แสดงธรรมโปรดเถิด ทำไมมาขึ้นต้นแบบนี้ไม่เหมือนกับขึ้นต้นในที่อื่นๆเลยขอชี้แจงว่า ท, ที่แสดงแบบนี้นี่นะก็เพื่อจะชี้ถึงการทูลขอให้แสดงธรรมของพรมอันเป็นเหตุแห่งการแสดงธรรมทั้งปวงของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านถือว่าะนะอย่างคนคนโบราณหน่อยเนี่ยนะจะมีการฟังธรรมที่ไหนเมื่อไร่อย่างไร ก็พรมมาจโลกาติปฏิสมัมปฏิกอันเฉลีอันติวรางอายาจาธาเป็นต้นเนี่ยจะมีแต่การแสดงแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าพรมกล่าวอย่างนี้ครั้งเดียวถือว่าใช้ตลอดไปทุกแห่งที่พระพุทธเจ้าเทศทุกแห่งที่พระพุทธเจ้าสอนถือว่าพรมอาราธนาไว้เสร็จแล้วเพราะการแสดงธรรมทุกหนทุกแห่งทุกสถานที่ถือว่าพรมอาราธนาผู้ที่อาราธนาให้แสดงธรรมนี่คือพรม แต่เหตุให้แสดงธรรมก็แล้วแต่เกิดเพราะการถามก็ตามเกิดเพราะมีเรื่องราวหรือว่าเกิดจากอัธยาศัยของพระองค์เกิดจากอัธยาศัยผู้อื่นก็ไหรือเกิดโดยอุปติเหตุหรือจะด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้มีการอุบัติขึ้นในขณะที่แสดงธรรมก็แล้วแต่แต่ถือว่าการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกครั้งถือว่าพรหมรัตนานับว่าเหตุแห่งการแสดงธรรมทั้งปวงเนี่ย พรมเนี่ยทูลขอให้แสดงหรือที่เรียกว่าอาราธนาเพราะฉะนั้นขอชี้แจงปัญหาว่าขอชี้แจงเลยว่าพรมเป็นผู้อาราธนาที่นี้มีคําถามเพื่อการเจาะลึกนะถามเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่พรมอาราธนาเนี่ยว่าพระชินะพุทธเจ้าถูกพรมอาราธนาเพื่อให้ทรงสแสดงพระธรรมเนี่ยพรมอาราธนาเมื่อไหร่ คาถาคือพุทธวงศ์เนี่ยใครยกขึ้นมากล่าวกล่าวเมื่อไรแล้วก็กล่าวที่ไหนคาทานี้คือคาถาที่ที่พรมกล่าวเนี่ยน ะ, ะใครยกขึ้นกล่าวกล่าวเมื่อไหร่กล่าวที่ไหนชี้แจงตามลำดับว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้เข้าสัปดาห์ที่แปดพระศาสดาก็ถูกพรมอาราธนาอ้อนวอนอ้อนวอนขอร้องนะเพื่อให้แสดง อริยสัจธรรมอันนี้เป็นใจความโดยสรุปมันคำที่ถามว่าพรหมาราธนาเมื่อไหร่บอกว่าอราธนาเมื่อสัปดาห์ที่แดหลังจากการตรัสรู้ก็เล่าย้อนหลังเท้าความประวัติของพระพุทธเจ้าสักเล็กน้อยบา ง, งันนับตั้งแต่วันออกมหาพิเนศกรมวันมหาพิเนศกรมก็คือวันที่ออกบวชที่ออกบวชกลางคืนนะนะยามดึกเดินก็ออกบวช วันนั้นหลังจากที่พระองค์เห็นเทวทูตทั้งหลายฟังบทว่าด้วยความดับทุกข์นะฟังว่าด้วยบทว่าด้วยความดับจากนางกีสาโคตมีหลังจากนั้นก็ไปเห็นหน้าพระราหุลเมื่อเห็นหน้าพระราหุลแล้วเรียกว่าตามธรรมดาพระองค์ก็จะออกบวชนะวันที่ออกบวชคือวันที่เห็นหน้าบุตรมันก็ออกบวชนั้นพระมหาบุรุษนั้นคืนที่ออกบวชนี้เห็นนางรํา เห็นหนางสนมที่นอนเนี่ยมีผ้าพรเปิดหน้าเกลียดพระ อ, องค์ก็สังเวทพระหฤทัยยิ่งนักด้วยอุปนิสัยที่สังสมมรณ า, นานสติมาเป็นอย่างมากด้วยอุปนิสัยที่สังสมอสุภาสัญญามามากเพราะฉะนั้นเห็นแห้นคนหลับเนี่ยเท่านั้นก็เห็นว่าไม่ต่างอะไรจากศพที่อยู่ในป่าช้าผีดิบเนี่ยนะไม่ต่างกันทั้นก็สังเวทใจยิ่งนักมีใจเนี่ยมองเห็นพบสาม เหมือนกับไฟที่กําลังไหมลุกโผลงจริงๆก็เลยไปเรียกนายช น, นะนายช น, นะตอนนั้นก็ปิดกายด้วยผ้าครึ่งหนึ่งนะกลัก แ, แสดงว่าเหมือนสมัยก่อนท่านนุ่งนุ่งอะไรนะนุ่งโจงกระเบนนะไม่ได้ห่มผ้าอะไรหรอกพระพุทธสัตว์ก็ไปเรียกว่าให้ช น, นะเนี่ยไปนําม้าฝีเท้าดีชื่อว่ากันตะกะมาเป็นม้าที่ข่มฆ่าศึกได้เป็นมา้คมค า, นมาตัวยงเป็นม้าพิเศษ เมื่อพระองค์ให้นําม้ากันตะกะมาแล้วพระองค์ก็มีนายฉันนะเป็นเพื่อนเป็นสหายเสด็จขึ้นมา้าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณนะประตูพระนครเป็นเทวดาที่อยู่ประจำพระนครดูแลพระนครเนี่ยนะเปิดประตูพระนครให้แล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากพระนครผ่านสามราชอาณาจักรโดยส่วนที่เหลือจากราชสมบัติของพระราชาพระองค์นั้นือหมายว่าคืนนั้นเนี่ยนะพอออกบวชแล้วก็ ขึ้นมาตะบึงเลยผ่านอาราชนาจักของแควนผ่านแคว้นสักกะผ่านมาอีกสามแคว้นใหญ่นี่นะเรียกว่าผ่านมาอีกสามแคว้นก็เท่ากับว่าจากแคว้นที่หนึ่งสองสแล้วก็ข้ามไปแคว้นที่ 4, สี่เร็จพระองค์นี้เป็นสัตว์ที่ไม่ต่ำสามหมายถึว่าเป็นสัตว์ประเสริฐประทับยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาพระองค์ก็ตรัสกับนายชนะว่าชนะ เจ้าจงพาเครื่องอาภรณ์คือนําเครื่องอาภรเนี่ยนะที่ไม่ทั่วไปกับคนอื่นๆเหล่านี้และม้ากันตะกะม้าฝีเท้าดีของเราเนี่ยกลับไปกรุงกบิลพัทนะเสร็จแล้วพงษ์ก็ปล่อยให้นายชนะกลับเมื่อนายชนะกลับไปแล้วเนี่ยนะพงษ์ก็ตัดมากุฏผ้าโพกพร้อมกับพระเกษาก็คือดึงผ้าโพกรวบขึ้นแล้วก็ตัดผมเลย ด้วยดาบคือพระขันอันคมกรีบเหมือนกรี บ, กาบบัวขาแบบนั้นตัดเหมือนตัดก้านบัวนะเสร็จลรมก็เหวี่ยงพระเยสาพร้อมทั้งผพ้าพโพกให้ขึ้นไปในอากาศหลังจากนั้นพรมที่เป็นเพื่อนเก่าคติการะพรมก็นำเอาบาทและจีวรเข้ามาถวายคติการะพรมนะคติการะพรมที่เป็นเพื่อนเก่าในสมัยาศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ ก, ก็เอาบริขารมาถวายบริขาร8 พระองค์ก็ผนวดด้วยพระองค์เองเสร็จแล้วพระองค์ก็จาริกโดยลําดับทรงข้ามแม่น้าําคงคาในวันที่มีคลื่นหัดโหมปั่นป่วนเพราะแรงลมพระองค์ก็ข้ามแม่น้ํานั้นอะ่ะโดยไม่ติดขัดเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่พระนครที่ชื่อว่าราชครึกที่จริงแล้วนะับว่าพระองค์เดินทางเร็วมากเพราะหลังจากที่ตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใช่เดินทางจากราชครึกไปก บ, บิลพั์คือเนี่ยใช้เวลาสองเดือนแต่เนี่ยพระองค์มาแค่วันเดียว มาเรียกว่าออกมาแล้วเช้าก็บวชบวชเสร็จก็เดินทางข้ามเข้ามาในเคราชครกเลยมีราชชนิเวศที่โชดช่วงไปด้วยขายรัศมีแห่งหมู่แก้วมณีเพราะสมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยมั่งคั่งมากก็คือเมืองราชครกเนี่ยนะมีเศรษฐีมหาเศรษฐีเยอะมากอ่ะนะเศรษฐีเมืองราชครื่เนี่ยเยอะมากถึงขนาดเรียกว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลต้องมาขอ่มาขอแบ่งปันเศรษฐีไปอยู่เมืองโน้นมั่งแตล้วไปพวกสมัยใหม่ก็คือ มหาเศรษฐีเยอะเหลือเกินขอมาเป็นนักลงทุนอยู่ในเมืองนี้บ้างะนะคล้ายแบบนะโบราณเขาก็ใช้ลักษณะว่าเชิญชวนนักลงทุนมาอยู่ในแวนแควนของตนหรือเชิญชวนเศรษฐีให้มาอยู่ในแว่นแค้นของตนอันเมืองราชครึกนั้นจึงเป็นเมืองที่มีรัตนะมากเป็นเมืองที่ร่ำรวยมากในสมัยนั้นหลังจากที่พระองค์เข้าเสด็จเข้าไปในกรุงราชครึกก็ไปโดยไม่ติดขัดไปด้วยการเสด็จราชดำเนินก็คือเดินไป พระองค์นั้นมีอินทรีย์ที่สงบไม่น่าเชื่อเลยนะเจ้าชายที่ออกจากพระราชวังมาบวชบวชแล้วเดินอุ้มบาทเข้าไปในเมืองเนี่ยนะเข้าไปในเขตเมืองอะ่ะมีอินทรีย์ที่สงบมีจิตใจที่สงบพระองค์ก็แลดูชั่วแอะ ก, ก็คือดูข้างหน้านะโดยปกติก็เหลือบหน้านๆาก็เหลือบไปข้างไกลๆสักทีหนึ่งแต่ก็โดยรวมๆก็เหลือบประมาณหนึ่งวานนะก็ดูเฉพาะหนึ่งวาแล้วก็เดินไป ขณะที่พระองค์เดินด้วยความสำรวมเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนทรงปลอบชนผู้มัวเมาเพราะความมัวเมาในความเป็นใหญ่แห่งกรุงราชครึกนั้นว่าในบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์นี่คือผู้ยิ่งใหญ่ขนาดพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีทรัพย์สมบัติมากขนาดนี้ขนาดนั้นเนี่ยพระองค์ก็ยังออกออกมาบวช ออกมาบวชแล้วเดินะนะมีอินทรีย์สงบมีใจสงบเดินด้วยความสำรวมระมัดระวังเ็าก็เดินสำรวมเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่ประคองภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำก็ถือประคองไปไม่ให้ตกฉ น, นั้นนะนะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เดินไปอย่างคนมีสติสัมปชัญญะบาลประหนึ่งก็คือเหมือนทรงทำให้เกิดความละอายแก่ชนผู้มีเพศอันฟุ้งเฟ้อแล้วว่าคนที่ อนะุงเฟอ้อทั้งหลายเนี่ยเห็นคนที่เรียกว่าสละสละทุกอย่างเนี่ยนะมนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดถือบาตรเดินเนี่ยแมคนที่ใช้ชีวิตด้วยความลำพองมัวเมาในพภกทศัพท์เป็นต้นก็ทำให้เกิดความละอายใจนะละอายใจมากปานประหนึ่งผูกหัวใจของชนชาวกรุงเอาไว้ในพระองค์ด้วยความรักในไว เพราะในบรรดาคนที่หนุ่มแน่นในสมัยนั้นถือว่าวัยสามสิบห้าขอไปไวัยยี่สิบเก้าอายุ29ปีในสมัยที่คนอายุ1้อปีเต็มเนี่ยนะอายุ29ปีถือว่าหนุ่มแน่นมากเรกียกว่ามีเกษาดำสนิทเนี่ยนะันด้วยความรักว่าคือคนทั่วๆไปเห็นแล้วจะต้องชอบอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าผูกใจชาวเมืองให้ให้ไปติดใจในในรูปร่างผิวพรรณในอายุในวัย อ่ะนะในกิริยาอาการไว้ทั้งหมดที่พระองค์ปานประหนึ่งพระองค์เนี่ยแย่งดวงตาของชนทุกคนด้วยพระเสรีรูปที่สองประการด้วยพระมหาปุริสลักษณะ32ประการด้วยลักษณะที่งดงามอันนี้เนี่ยนะเหมือนกับไปแย่งเอาตาไปดึงตาคนอื่นเนี่ยให้มามองแต่พระองค์ก็พอไม่ต้องไปมองเรื่องอื่นแล้ว เหมือนกับกองบุญเหมือนกับบรรพดหรือภูเขาที่เดินได้ด้วยพระบาทที่มีรูปงามเหมือนภูเขาทองเดินเคลื่อนที่ว่างั้นนะเนะเพราะว่าผิวของพระพุทธเจ้าเหมือนแท่งทองชมพูนุ่ดรูปร่างที่บุญญาที่การตกแต่งเอาไว้ให้เป็นประกอบด้วยมาุริสลักษณะผิวพันประดุจทองพระองค์ก็เสด็จพระพุทธดาเนินเหมือนกับภูเขาทองเดินได้เที่ยวไปบินธบาตในกรงราชครึกพระองค์ก็รับอาหารพอยังอัตภาพ ให้เป็นไปได้ก็ดูว่าอาหารขนาดนี้ก็พอที่จะฉันอิ่มได้แล้วก็พอแล้วเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีลูกศิษย์ไม่มีกุฏิไม่มีวัดไม่มีอะไรที่จะต้องไปเผื่อเลี้ยงนกเลี้ยงกาอะไรเป็นต้นก็เอาแค่พอฉันก็พอแล้วพอได้อาหารเพียงพอพระองก็เสด็จออกจากกรงราจะครึกประทับนั่งนะโอกาสอันเงียบสงบน่าเรื่อนรมอย่างยิ่งเป็นภูมิภาพอันสะอาดพร่งพร้อมไปด้วยร่มเงาและน้าข้างปัฑวะบรรพศ สวยอาหารที่คลุกกันคที่จริงแล้วในที่อื่นนี่บอกเลยว่าพออาหารอยู่ในบาตพระองค์มองเห็นปั๊บเนี่ยมันจะอัศัยมันจะขย่อมออกมาเลยอ่ะมันแทบอาเจียนออกมาเลยเนี่ยนะบอกว่าแม้ล้ำไส้แทบวิ่งหนีเลยเหมือนกันมันมันคือพระอื่นพระ อ, อมขนาดนั้นเลยอ่ะเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสวยอาหารอย่างนี้มาเลยที่จริงไม่ใช่แค่เกิดมานะ ตั้งนานเต็มทีแล้วตั้งแต่สมัยเป็นพระเวสสันดรมาอยู่ในสันดุสิตเนี่ยหอกว่าล้านปีจนถึงมาเป็นพระโพธิสัตว์คือสเสวยแต่สิ่งที่ประนีตมาตลอดเลยนะพอไปบินทบาทได้อาหารปนกันกันเข้าแค่นั้นน่นะเรียกว่าเห็นอาหารที่มันคละกันก็จะข้าวราดแกงเข้านี่มีแกงถัวเหลืองมีแกงอะไรไล้ล่อย่างที่มาราดเข้านี่นะมากข้าวชาวบ้านไม่รู้ว่าชาวไหนบังกมรูเนี่ยนะ ทั้งผู้ดีทั้งมีมั่งมียากจนเข้าหลายๆประเภทเนี่ยมาคละกันเข้าคงไม่ได้ใส่ข้าวสวยข้าวหอมมะลิอะไรที่ไหนหรอกก็ข้าวธรรมดาธรรมดาเนี่ยพอเห็นแค่นั้นน่ะแม่ลำไส้แทบขย่อนออกมาข้างนอกเลยแล้วพระองค์ก็พิจารณาว่าพราะมมาาองคนะ์ไม่ได้บวชมาหาก้อนข้าวนะไม่ได้บวชมาเพื่ออย่างอื่นเนี่ยนะก็พิจารณาโดยไล่ๆประการด้วยกันก็ขม่มข่มไอ้กิเลสเหล่านั้นได้พระองค์ก็ฉันอย่างสงบ หลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารมหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งอาณาจักรมคตคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยปกครองแคว้นใหญ่สองแคว้นคืออังคะกับมคธคือแคว้นอังคะกับแคว้นมคตที่เป็นแคว้นใหญ่มากในยุคนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จเข้าไปหาพระมหาบุรุษถามพระนามและพระโคดแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ชื่ออะไรโคดอะไรเป็นต้นพระองค์ก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์คือเจ้าชายแห่งแคว้นสักกะเนี่ย พระ อ, องค์ก็มีพระราชารัชไทยบันเทิงมากดีใจมากเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเพื่อนภาษาบาลีและอทิษฐานสายเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ก็มีการส่งของขวัญฝากกันไปฝากกันมาอยู่นะเพราะว่าโบราเนี่ยไม่มีการไปมาหาสู่กันที่สะดวกนักแต่ก็มีการส่งของขวัญไปหากันและกันอยู่มันก็ถือว่าเป็นอธิษฐานสาย ค, คือเห็นแล้วก็รักมากอะนะเห็นเพื่อนแล้วก็นึกชอบเพราะว่าตัวเองก็ได้สมาทานไว้เป็นเพื่อนกันเป็นอย่างดีมันก็เลยเชื้อเชิญว่าขอพระองค์โปรดทรงรับราชสมบัติส่วนหนึ่งของหม่อมฉันเถอะไม่ต้องบวชแล้วเนี่ยนะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันมาแบ่งมาปกครองเมืองนี้เถอะสร้างวังขึ้นมาใหม่อีกกวังหนึ่งช่วยกันดูแลบ้านเมืองกันแล้วกันนะนะก็คือยกให้เลยนะแทบแทบจะยกแผ่นดินให้พระโพธิสัตวเลย พระองค์นี้ก็มีพระสุรเสียงที่ไพเราะเหมือนดังบันดอกเหมือนกลองที่ก็ได้บรนดอกก็คือลักษณะเสียงของพระองค์เนี่ยเหมือนเสียงพรมเนี่ยนะเสียงที่ทุมสุขุมลุ่มลึกด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะพระองค์ก็ตอบว่าอย่าเลยมหาราชเจ้าหม่อมฉันไม่ประสงค์ด้วยราชสมบัติดอกหม่อมฉันละราชสมบัติมาประกอบความเพียรที่ละราชสมบัติเนี่ยนะทั้งๆที่เรียกว่าจักรพัฒสมบัติ ออกมาก็ออกมาประกอบความเพียรประกอบความเพียรในการเจริญสมถะและวิปัสนาเพื่อบรรุมรคผลเมื่อบรรุมรคผลจะได้ทํากิจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนี่นะเพื่อประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเกื้อกูลให้เขาได้บรรุมรคผลแก่สัตว์โลกเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีกิเลสดุจหลังคาอันเปิดแล้วในโลก ก็คือเป็นผู้มีกิเลสที่เปิดแล้วปกติแล้วกิเลสมันหุ้มเอาไว้เนี่ยนะหรือเป็นเหมือนกับเขบอกว่าฟองไข่ที่อยู่ในกระป๋อเนี่ยนะก็คือกระเทาะกระเพาะเปลือกออกนั่นแหละเรียกว่ากระเทา ะ, เ, ทาะ เ, ทาเปลือกของโลกออกได้เสร็จแล้วพระเจ้าพิมพ์พิสารก็อ้อนวอนว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วปโปรดมายังแว่นแคว้นของหม่อมชั้นก่อนแว่นแคลนอื่นทั้งหมดถ้ายังไงนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาปโปรดที่นี่ก่อนเถอะ ก่อนที่จะไปสงเคราะห์ประชาชนในแคว้นอื่นทั้งหมดมาโปรดแคว้นหม่อมชั้นก่อนเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะตั้งความปรารถนาไว้แล้วว่าขอให้พระอาหารหันเนี่ยมาโปรดประชาชนในแว่นแคว้นของพระองค์เนี่ยนะขอให้พระองค์ได้เข้าไปเฝ้าและฟังธรรมจะได้บรรลุมรรคผลเป็นต้นคือคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีเยี่ยมเนี่ยนะเมื่อพระเจ้าพิมพิสารอาราธนานิมนต์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าและให้มาโปรดแคว้นนี้ก่อน พระองค์ก็รับถวายปฏิญญาก็คือรับรับรองแด่พระเจ้าพิมพิสารว่าสาธุเนี่ยนะก็จะมาหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปหาอาลาลดาบทและอุทธกะดาบทก็เข้าไปฟังลทัทธิเนี่ยนะเข้าไปฟังลทัทธิเข้าไปฟังเนื้อหาสาระของลทัทธิของเขาว่าลัทธินี้มีทิฐิอะไรซึ่งอาลาลดาบทก็กล่าวถึงอากิจัญญายตนะ อุทกะดาบทก็กล่าวถึงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะพระองค์ก็ขอให้อาจารย์ทั้งสองเนี่ยแนะนำการปฏิบัติเพื่อให้ได้อารูปสมาบัติเหล่านั้นซึ่งพระองค์ก็ปฏิบัติสองสาวันก็ได้ฌานเหล่านั้นด้วยความชํานาญ2อาจารย์ก็แต่งตั้งให้เป็นผู้เสมอพันถ้ามีใครเอาเครื่องบรรณาการมาทุกอย่างจะหารสองหมดจะหารไปแบ่งถวายพระโพธิสัตว์หมดนี้พระโพธิสัตว์บอกว่ามีเท่านี้หรือก็ไม่พบสาระ ไม่พบสาระแห่งคำสอนของของลัทธิเหล่านี้เลยของลัทธิสองสองฤาษีเหล่านี้เลยเพราะว่าลัทธิเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกาหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานสรุปว่าสองลัทธินี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน แต่เป็นไปเพื่ออากินจัญญายตนาพบเป็นไปเพื่อเนวะสัญญานาสัญญาเยตนะพบก็ยังเป็นไปกับวัตตะก็มันไม่เห็นมีสาระเลยสาระที่พระองค์ต้องการคือมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็ไม่พบว่ามีมรรคผลนิพพานอยู่ในคําสอนเหล่านี้พระองค์ก็ทรงหลีกออกจากที่นั้นไปหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปพุทธดําเนินไปจนถึงตําบลแถวตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ย เป็นสถานที่ที่ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเยือกเย็นพอสมควรเนยนะเป็นสถานที่น้ำก็ใสสะอาดอาหารก็ดีอ่ะนะอาหารในยุคในแคว้นๆ น, นั้นเนระียกว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยสงบร่มเย็นรองก็เลยอยู่บำเพ็ญทุกกระกริยาในตำบลอุรุเวลาเนี่ยปีด้วยกันนน คือเป็นสถานที่ที่สปายะแต่ว่าภายใน6ปีก็อยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอ่ะนะบางช่วงก็ขึ้นโนะ่นไปอยู่เขาดงคาสิริเนี่ยนะดงคาสิริทีนี้ด้วยความเพียรอ่ะนะทุกขะกิริยาทุกขะเนี่ยแปลว่าทํายากเนะี่ยทำยากมากทําจนถึง6ปีเนี่ยนะพอทําถึงครบปีที่6เนี่ยรู้เลยว่าถ้าคืนทําต่อแม้แต่นิดเดียวก็ตายนะนะนะเพราะในบรรดาความเพียรที่มีอยู่ในโลกที่มนุษย์ ทนได้มันมีอยู่เท่านี้แหละถ้าคืนเกินกว่า น, นี้นิดเดียวตายมรนก็เลยบอกว่าการทาทุกรกกิริยาไม่สามารถให้บรรลุมรรคผลได้พระองค์ก็เลยกลับมาทําสรีระให้อิ่นน้ำสําราญด้วยการสวยพระกยายฐารอย่างๆก็กลับมาชันอย่างปกติผิวพรรณก็กลับคืนมาหมดจริงๆแล้วตอนที่ทาทุกร ก, กิริยาเนี่ยตาเนี่ยโลเลยเนี่ยนะตาเนี่ยโลเนี่ยลึกเลยนะเหมือนคำว่า ดวงตาของพระพุทธเจ้าถ้าดูไกลๆ ก, ก็เหมือนว่าคนมองดูดวงเดือนในบ่อน้ําลึกอย่างนั้นนะนะถ้าดูตานะเพราะว่าถ้ารูปท้องก็ถึงหลังรูปหลังก็ถึงท้องอ่ะนะพัน้นรูปตัวเนี่ยคนเนี่ยหลุดนําตัวมามาหมดเนี่ยนะเพราะรากมันเน่าอ่ะเพราะอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่พอเพรว่าถ้ารูปท้องก็ถึงหลังรูปหลังก็ถึงท้องอุจจาระก็เหมือนกับอะไรนะเป็นเหมือนกับเมล็ดอะไรสักอย่างนึ่งนะก็แค่นั้นแนหะ เนี่ยนะถ้าเป็นคนธรรมดาอาจจะตายไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็รู้รู้กำลังของตัวเองดีมันก็รู้เลยว่าถ้าต่อไปกันอีกนิดเดียวก็ตายพระองค์ก็เลยกลับมาบำรุงร่างกายให้ปกติเพราะว่าพระองค์ระลึกถึงการเจริญอาณาปานสติแต่จริงในช่วงการทำทุกระกิริยานี้ไม่ใช่ว่ามามาฝึก เป็นลักษณะมาอดอาหารไปแบบโง่ๆทึ่มๆไม่ใช่เลยเพราะว่าในระหว่าง6ปีเนี่ยท่านวิจัยอะไรมากมายเนี่ยนะเพราะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์มีการวิจัยเลือกเฟ้นแล้วพระองค์ก็รู้ด้วยว่าอินทรีย์ของพระองค์นั้นไม่แก่กล้าพอที่จะตรัสรู้อริยสัจหลังจากที่พระองค์เนี่ยหนแลลึกถึง อ, อาณาปานสติที่พระองค์เคยเจริญตั้งสมัยเด็ก องก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าอาศัยฐานอันนั้นก็จะเป็นเหตุให้ตรัสรู้ได้เมื่อฉันอาหารยากพระปัญจวัคคีย์ก็หนีไปอยู่ในเมืองพารณสีหมดเนี่ยนะหนีไปอยู่ที่โน่นอ่ะปายสิปัตนามริกทายวันเพราะธรรมดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องกายวิเวกก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยนะในวัน15้าคำเนี่ยนะครั้งนั้นหญิงรุ่นชื่อว่านางสุชาดาธิดาของกุดุมพีเสนานิคม ลูกสาวเศรษฐีในตำบลอุรุเวลาเซนานิคมอตอนที่โตเป็นสาวแล้วนางได้ทำความปรารถนาะณต้นใสต้นหนึ่งเอาไว้ว่าถ้าดิฉันไปเรือนสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้วก็ได้ลูกชายท้องแรกก็จะทำพลีกรรมสังเวยนางก็ได้บนไว้ไปบนเทวดาเอาไว้ น, นะนะนีถ้าได้ลูกชายก่อนเป็นคนแรกนะจะมาทำพลีกรรมบอกว่านางสุชาดาก็คือใครก็คือแม่ของพยาะกุลบุตรนั่นแหละ แม่ของพยสรกกุลบุตรแล้วก็เป็นอุบาสิกาคนแรกที่ถึงไตรสารณคมก่อนเพื่อนเพราะวันวันนั้นะ่ะพูดถึงย้อนกลับมาวันที่นางจะมาบนเนี่ยนะมาแก้บนมางั้นเถอะมาแก้บนว่าความปรารถนาของนางสำเร็จแล้วในวันเพ็ญเดือนหกนางก็คิดว่าวันนี้จะทำพรีกรรมพอเช้าตรูก่ก็จัดข้าวปายาบที่ไม่แข่นแข็งมีรสอร่อยอย่างยิ่ง ในวันนั้นนั่นเองแม้พระโพธิสัตว์ก็ทำสรีระกิจแล้วก็คอยเวลาพิาจารณาเรียกว่าการที่พระจะไปบินทบาทเนี่ยนะต้องรอว่าอาหารเขาสุกหรือยังเพราะถ้าไปเช้าเกินไปอาหารก็ยังไม่สุกก็ไม่มีใครใส่บาตรหรือไปสายเกินไปเขาก็ทานกันหมดแล้วเนี่ยนะก็ต้องดูเวลาว่าปกติแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะทานอาหารอาหารสุกแล้วเนี่ยควรจะแค่ไหนมันก็ไปนั่งรอเวลาบินทบาต แต่เช้าตรูก็ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรเนี่ยนะต้นไทรครั้งนั้นนางทาสีชื่อว่าปุนานางปุนาเนี่ยเป็นแม่นมของนางสุชาดาก็เดินไปด้วยไม้จะทําความสะอาดที่โคนต้นไทรก็ไปพบเห็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ประทับนั่งสํารวจโลกธาตุด้านทิศตะวันออกอยู่ก็ที่นั่งรอรอร อ, รอเวลาไปบินทบาทเนี่ยไม่ใช่นั่งธรรมดาแต่นั่งพิจารณาโลกอยู่นั่งเจริญสมถวิปัสนาอยู่ พระองค์ผู้มีพระสรีระเนี่ยงดงามเหมือนยอดภูเขาทองซึ่งเรืองรองไปด้วยแสงสนธยาว่าแสงอาทิตย์สร์ส่องภูเขาทองงดงามฉันใดสรีระของพระองค์ก็ฉันนั้นผู้เป็นดวงอาทิตย์แห่งมุนีผู้เข้าไปสู่ต้นไม้อันประเสริฐเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ผู้ทำการฝังตัวลงในกลุ่มความมืดหรือเพื่อกาจัดความมืดผู้ทาความแย้มผลิตแห่งดงบัว ผู้สอดเข้าสูโมหลืบเมฆอ่าเพราะได้เห็นต้นไม้ที่มีสีเหมือนทองนั้นทั้งหมดโดยรสมีที่แล่นออกจากพระสรีระของพระโพธิสัตว์นั้นนางปุณณาสีก็คิดว่าวันนี้เทวดาของเราเนี่ยลงจากต้นไม้คงอยากจะรับเครื่องปลีกรรมด้วยมือของตนเองจึงมานั่งคอยนางปุนานั้นก็รีบกลับไปบอกเนื้อความนั้นแกนางสุชาดา นางสุชราพอฟังก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเองเนี่ยนะก็แต่งตัวด้วยเครื่องประดับทุกอย่างบรรจุถาทองมีค่านับแสนเต็มไปด้วยข้าวมาทูปายาิมีรสอร่อยอย่างยิ่งปิดด้วยถาทองแล้วก็เรียกว่าปิดถาทองด้วยอีกถาทองหนึ่งแล้วก็เทินไว้บนศีรษะเดินมุ่งหน้าตรงไปยังต้นไทรขณะที่นางกำลังเดินไปก็เห็นพระโพธิสัตว์นั้นแต่ไกล ประทับนั่งเนี่ยงดงามเหมือนกองบุญเรียกว่ากองแห่งสรีระที่บุญจัดสรรตกแต่งให้งดงามพระศมีนั้นทําให้ต้นไม้ทั้งต้นมีสีเหมือนสีทองด้วยรัศมีจากพระสรีระเหมือนประหนึ่งเนี่ยนะประหนึ่งรุกขเทวดาเหมือนเทวดานั่งาศาสองรัศมีให้ต้นไทรเนี่ยงดงามเหลือเกินก็เกิดปีติและปราโมทเดินน้อมตัวลงตั้งแต่ที่เห็น พอเห็นปั๊บเนี่ยเดินก้มด้วยความสำรวมเลยนะเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาเสร็จแล้วก็ปรงถาดทองนั้นลงจากศรีรษะเพราะว่าแขกก็ไม่ค่อยถือนะนิยมทูลหัวเนี่ยนะนิยมทูลหัวเสร็จแล้วก็ไปประคองไว้ในพระหัตถของพระโพธิสัตว์แล้วก็ไหว้ด้วยเบญจงังฆาปริตกล่าวว่ามโนรสความปรารถนาของดิฉันสําเร็จแล้วฉันใดมโนรสคือความปรารถนาของพระองค์ก็สําเร็จฉันนั้นเถิดแล้วก็กลับไป ก็ถือว่าเป็นคนเก่งมากเลยนะไปให้พรเทวดาเนึกว่าไปขอพรเไม่ใช่ไปอ้อนวอนเทวดาไม่ใช่ไปบอกเลยว่าบ่มฉั้นสมความปรารถนาแล้วนะตัวเองสมความปรารถนาฉันใดก็ขอให้ท่านสมความปรารถนาฉันนั้นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ถือเอาถาดทองเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราพระองค์ก็ทรงวางถาดทองไว้ที่ริมฝัง่งใกล้ท่าน้ําชื่อว่าสุปฏิทัก์ สุปฏิติฐะก็ว่าแปลภาษาไทยว่าท่าน้ำที่ประดิษฐานไว้อย่างดีเป็นท่าที่งดงามะนะคือเป็นท่าที่สวยพระองค์ก็วางถาดไว้เสร็จก็ลงไปส่งน้ําก่อนส่งสนานเสร็จแล้วก็ขึ้นมาพอขึ้นมาก็ปั้นปั้นข้าวมะทูปลายาดเนี่ยให้เป็นก้อนๆได้4ี่สบเก้อนแต่ละก้อนนี้ก็อยู่ได้วันหนึ่งก้อนหนึ่งก็อยู่วันหนึ่งพระองค์ก็สวยข้าวปลายาดนั้น พอสเสวยเสร็จพระองค์ก็ไปลอยถาดก่อนจะลอยถาดก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าวันนี้เราจะเป็นพระพุทธเจ้าไซขอถาดทองนี้จงลอยทวนน้ำถาดทองนั้นก็ลอยทวนน้ำเข้าไปยังพิภพของพญา น, นาคชื่อว่ากาล น, นาคราชขณะที่ถาดทองเนี่ยนะถาดถาดทองที่พระองค์ลอยลงไปเนี่ย ก็ลอยไปแล้วก็ยกถาดทองของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วถาดอันนี้ก็ไปอยู่ข้างล่างไม่ใช่ไปตั้งอยู่ข้างบนนะถ้าดูตามพยัญชนะ น, นี้ก็ไปตั้งอยู่ข้างล่างถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, ก, อนก่อนก็อยู่ข้างบนเน